ท่านอาจารย์มั่นท่านว่าใจนีพภาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่ า, าจะเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี้พรานนั้นท่า น, นเรียกว่าเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานึกเข้าใจโตยเวลาใช้ออกมาทำกาพูด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 นั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแกนหรือแก่นของสกุลร่างกายเราเป็นแกนอันหนึ่งซึ่งเป็นของแข็งหรือเป็นของเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี่ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ่ อาการที่เกิดขึ้นจากใจเช่นความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดักเกิดแล้วดับความหมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดกันอะไรทั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแทบนั่นเป็นสังขารสัญญาคือความหมายมีความ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 เรียวกว่าเป็นอิสระของขันโดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั่นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างกิจสามัญชนทั่วๆไปหรือเหมือนอย่างขันสามัญชนทั่วๆไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันล้งสามัญชนทัว่ว ๆ, ๆไปก็เหมือนนักโทษที่ถูก บ, บับงคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสําคัญมั่นหมายต่างๆ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 พระวังคีสะท่านเก่งมากตั้งแตท่านเป็นค า, ารวสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไร ก, ก็พูดไม่ถนัดคงเก่ทงทางศยสศาสตร์แน่แต่ภาษาปัจจุบันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกทิศษะป๊กปอกปอกปอกอกำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่นั่น อันนั้นไปเกิดที่นั่นเช่นไปเกิดนเป็นสัตว์นรกก็บอกเกิดในนรกก็ก็บอกไปสวรรค์ก็บอกต่เป็นสัตว์เดปเปชานไปเป็นเป็ดเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้ข้อกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้ก็พอไปถึงพระพุทธทเจ้าท่านก็เอาศรีรษะพระอรหันต์ไม้เคาะ เอาลองเคาะที่นี้ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบกําหนดอะไรเงียบไม่ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศีษานี้ไปเกิดที่ไหนจนเกลอกพูดอย่างโกงไปงมาว่าไม่ทราบที่เกิดอันนี้วางนั้นทีแรกพระบางขีษานี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด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 เลยผูวางคิดสัเลยสําเร็จอรหันขึ้นมาใช่ไหรือโดยไม่สนใจจะไปเคาะศีรษะใครนอกจากเคาะทิศะเจ้าของรู้อย่างชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะศีรษะที่ถูกต้องนี่แล้วยกถึงเรยกเรื่องจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกทิศะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ออไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พู้วางคิดสักแต่ก่อนเก่งมาก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 มิดโกนมาเชือดคอตัวเองมั้งเส้วอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระหันในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญ า, ามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของท่านค้าผูดภาษาของเราก็เรียกว่าตลบเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอ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 ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันต์ท่านได้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วนีนะ่จะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กำลังล่มลุกคลุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตามเมื่อได้ถูกําละเข้าไปโดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรแล้วจะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดถึงที่สุด ความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั่นก็เป็นสมมติเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือทาทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นเดียวกันก็เป็นกายเป็นจิตประโสริเช่นเดียวกับจิตของท่านผู้พ้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมติอันหนึ่งต่างหาก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 เป็นกรรมาฐานสำคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปารถติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริยนิสัยของคนเป็นจานวนมากกว่าธรรมบทอื่นนำเข้ามาปร ะ, ประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระ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 ตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมิของจิตที่มีความละเอียดเป็นลำดับถ้าจิตทั้งหยาบรวมตัวเข้ามาก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันว่าว่านี้คือจิตแล้ละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดลงไปอีก่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้สงบยิ่ง นี่เป็นของอศัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลาดับลำดั บ, ดบนในจิต ด, ดวงเดียวนี่เน่ะการชำระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาค้นคว้าแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องภายในจิตใจด้วยปัญญาซึ่งเป็นมิธีที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าหรือจะทาให้ถึงความจริงของจิตอันแท้จริงได้โดยลำดับลาดับด้วยการทำดังที่กล่าวมานี้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 ร่างกายหรือธาตุขันยังเป็นไปอยู่นี้เมื่อถึงอาวาสานอย่างที่วิลแล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั่นแหละจะทําได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทําได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นเรียกว่าหยุดงานพักงานกัแล้วโน่นพบใหม่ต่อไปที่ควรจะทําได้แล้วก็ทําถ้าผ่านประเสิทิ์มันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงต่อไปนี่นะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่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 ยอมรับกันไปเรื่องของกรรมมันเป็นมันจกนกระทั่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหานะการแสดงธรรมก็เอาเพียงแค่นี้ต่อไปท่านปยายญาอธิบายให้หันมนี่ฟัง